สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทยิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เรายังอยู่ใน20กฎทองคำกฎข้อที่7ครับเกี่ยวกับเรื่องของของประธานประเด็นที่10ในเช้าวันนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พระคัมภีร์เรียกว่าของประธานที่เราได้รับมอบมานั้นอย่าโอ้อวดครับพี่น้องครับศา ส, สนาจารย์ดรฟลิปเทงนั้น ท่านได้ให้ข้อคิดที่สำคัญมากๆสำหรับคนที่มีของประทานครับท่านเขียนอย่างนี้ครับว่าของประทานเป็นสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้ไม่มีอะไรจะโอ้อวดได้หนึ่งโคริน์บทที่4ข้อ7ความว่ามีอะไรที่ท่านไม่ได้รับมาเหตุไฉนท่านจึงโอ้อวดเหมือนกับว่าท่านไม่ได้รับเลยไม่ว่าใครก็ตามที่มีความสามารถ เป็นสิ่งที่เรียกว่าของประธานจากพระเจ้าเป็นการง่ายนักที่จะโอ้อวดครับการที่โอ้อวดนั้นก็มีลักษณะของการยกตัวเองขึ้นแล้วก็ดูถูกคนอื่นหรือวิพากวิจาร์คนอื่นการหลุดอาการหลุดอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้ความโอ้อวดของของประทานนั้น เป็นสิ่งที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดเพราะมันกลายเป็นอุปสรรคของความจริงเป็นอุปสรรคของการรับใช้พระเจ้าคนที่มีของประทานมากนะครับจะต้องฝึกตัวเองยิ่งต้องฝึกตัวเองให้ถ่อมใจแล้วเขาจึงจะเหมาะที่จะเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้ ในพระธรรมหนึ่งเปรตัวบทที่5ข้อที่ห้าจำง่ายๆนะครับหนึ่งเปรตัวบทที่หข้อที่5ฟังรีได้กล่าวว่าด้วยว่าพระเจ้าทรงเป็นปฏิปักษ์แก่คนเหล่านั้นที่ถือตัวจองของแต่พระองค์สําแดงพระคุณแก่คนที่อ่อนน้อมถ่อมตนโปรดฟังอีกครั้งครับหนึ่งเปรตัวบทที่5ข้อที่5ด้วยว่าพระเจ้าทรงเป็นปฏิปักษ์แก่คนเหล่านั้นที่ถือตัวจองของ แต่พระองค์สำแดงพระคุณแก่คนที่อ่อนน้อมถ่อมตนาศาสนาจารย์จูนชันก็ฟอดเป็นนักประกาศฟื้นฟูที่พระเจ้าทรงใช้อย่างมากในประเทศจีนครับที่มณฑลเหอเป่ยพระเจ้าใช้ท่านเหมือนกับที่พระเจ้าใช้ด็ออร์จอนซงท่านมักจะมีคำพูดขำขันมาเตือนตัวเองเพื่อไม่ให้อวดตัวท่านก็เล่าอย่างนี้ครับว่ามีครั้งหนึ่ง นกหัวขวานตัวหนึง่งกำลังเอาปากเจาะกิ่งไม้อยู่เพื่อหาอาหารทันใดนั้นเองก็มีเสียงฟ้าผ่าอย่างแรงมันรีบตกใจบินหนีไปต้นไม้ที่ถูกฟ้าผ่าลม้มลงมันก็พูดว่าข้าคิดไม่ถึงเลยว่าปากของข้าจะมีกำลังมากขนาดเจาะต้นไม้เป็นสองเสียงได้นี่แหละครับคือ คนที่หลอกลวงตัวเองจองหองยะ่โสลืมตัวเองพี่น้องครับมีอะไรที่ท่านไม่ได้รับมาเหตุนไหนท่านจึงโอ้อวดเหมือนกับว่าท่านมิได้รับเลยเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าของประทานทุกอย่างที่เรามีอยู่ความสามารถติดตัวเรานั้นมาจากพระเจ้าครับเพราะฉะนั้นอย่ายิ่งครับ อย่ายะโสโอโหังอย่าลืมตัวนั่นคือสิ่งที่พระกัมพีเบือนเราเสมอความหญิงนั้นอาจจะแปลเปลี่ยนไปเป็นพักเป็นพวกกันได้ครับเพราะว่าการเป็นพักเป็นพวกนั้นก็กีดกันคนอื่นๆที่มีคุณสมบัติไม่เพียงพอเข้าไปในกลุ่มนั่นแหละครับคือการหญิงยะโสเป็นหมู่คณะพี่น้องครับสิ่ ง, งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่น่าเกรงกลัวมาก เราจะต้องระวังครับไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราปัญหาก็คือว่าหลายครั้งทีเดียวเราไม่รู้ตัวครับว่าเราเป็นอย่างนั้นอยู่ต้องมีคนเตือนบางครั้งบางคนนั้นเตือนไม่ได้เพราะเขาไม่ยอมรับการเตือนแต่ว่าในที่สุดนั้นหากเขารักพระเจ้าพระเจ้าจะเตือนเขาเองผ่านทางพระวจนะของพระเจ้า ผ่านทางผู้คนต่างๆผ่านเหตุการณ์ต่างๆในที่สุดเราต้องอธิษฐานเผื่อเขาให้เขากลับใจใหม่ครับพี่น้องครับบาปแห่งการหญิงยะโสนั้นช่วยยากครับมีอย่างเดียวก็คือว่าเขาจะต้องถูกทําให้ถ่อมใจลงไม่ว่าจะเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์วิ่งเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตก็ทําให้คนคนหนึ่งที่หญิงยะโสสามารถกลับใจ มากลายเป็นคนถ่อมใจได้ครับประเด็นต่อไปเป็นประเด็นที่11บเอท่านศาสนาจารย์ดรฟิลิปเทงได้ทําให้เราเห็นถึงความจริงในพระวจนะของพระเจ้าเกี่ยวกับของประธาน2ลักษณะด้วยกันพระกัมพีร์สอนเราว่าของประทานในด้านจิตวิ ญ, ญญาณที่สําคัญมากมี2ลักษณะลักษณะแรกคือคุณภาพลักษณะที่2คือ อุปกรณ์ลักษณะของคุณภาพนั้นเป็นฐานรากและลักษณะของอุปกรณ์นั้นก็คือเป็นผลงานหรือการงานที่เกิดขึ้นนั่นเองพี่น้องครับของปัทธานโดยลักษณะของคุณภาพนั้นก็คือเป็นเรื่องราวของชีวิตครับ2ทงีโมทีบทที่1ข้อ6ถึงข้อที่7ความว่า อันของประธานของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในท่านโดยที่ข้าพระเจ้าได้วางมือบนท่านนั้นขอเตือนว่าจงกระทําให้รุ่งเรืองขึ้นเพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงประทานจิตที่ขลาดกลัวให้เราแต่ได้ประทานจิตที่กรอบด้วยอธิษความรักและการบังคับตนให้แก่เราโปรดฟังอีกครั้งอันของประทานของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในท่าน โดยที่ข้าพเจ้าได้วางมือบนท่านนั้นขอเตือนว่าจงกระทําให้รุ่งเรืองขึ้นเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงประทานจิตที่ขาดกลัวให้เราแต่ได้ประทานจิตที่กรอบด้วยฤทธิ์ความรักและการบังคับตนให้แก่เราสิ่งที่ท่านอาจารย์ปรโรเขียนไวน้ในที่นี้ก็คือคุณภาพครับลักษณะคุณภาพของของประทานฝ่ายวิญญาณคือฤทธิ์ความรักและการบังคับตนคําว่าฤทธิ์นั้น มีความหมายว่าเข้มแข็งครับมีส่วนสัมพันธ์กับผู้ที่ทํางานท่ามกลางการงานนั้นเราต้องการความเข้มแข็งและต้องเราต้องการกําลังครับเราต้องการฤทธิเดชซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทําให้เราไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและความลาบากทั้งหลายพี่น้องครับเราต้องการฤทธิเดชที่จะใช้ของประธานครับเราต้องการความเข้มแข็งไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเมื่อเราใช้ของประธาน รายการต่อไปก็คือความรักกับชี้เจาะจงสําหรับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนครับพี่น้องครับความรักระหว่างคนกับคนในระหว่างที่เราใช้ของพุทธานนั้นก็จําเป็นมากๆครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะต้องก้าวข้ามการอิจฉาริษยาก้าวข้ามการใส่ร้ายป้ายสีก้าวข้ามความเข้าใจผิดก้าวข้ามหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นอุปสรรค โดยใช้ความรักใช้การให้อภัยและใช้การอดทนครับหลายครั้งทีเดียวพี่น้องเวลาที่เรารับใช้พระเจ้ามันเป็นไปได้ที่คนเราจะเข้าใจผิดมันเป็นไปได้ที่คนเราจะอิดชาลิสยามันเป็นไปได้ที่เราจะถูกใส่ลายป้ายสีพี่น้องครับนี่แหละครับเราต้องใช้ความรักของพระเจ้าประทานความรักให้กับเรานั่นคือชีวิตนั่นคือคุณภาพของของประทาน พี่น้องครับประการต่อไปก็คือการบังคับตนท่านคมพี PG, ชี้เฉพาะเจาะจงครับในด้านการประมาณให้พอสมควร self control รู้จักกำหนดความต้องการของตัวเองอยู่ในขอบเขตที่บังคับตัวเองได้อยู่ในขอบเขตที่พอเหมาะพอสมนั่นแหละครับคือความเฉพาะเจาะจงของของประทานนี่คือลักษณะครับลักษณะชีวิตของผู้ที่มีของประทาน อาจารย์บอโลสอนว่าในด้านต่างๆเหล่านี้เราจะต้องกระทำให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นยิ่งมีของประทานมากครับชีวิตยิ่งเปลี่ยนชีวิตยิ่งสอดคล้องครับสอดคล้องกับการใช้ของประทานครับเพื่อให้ของประทานนั้นได้ใช้มากขึ้นชีวิตกับของประทานไปคู่กันครับหลายๆลครั้งทีเดียวบางคนก็มักจะบอกและสอนว่าของประทานกับชีวิตเป็นคนละเรื่องกัน พี่น้องครับจากตรงนี้เองทําให้เราเห็นครับว่าท่านอาจารย์เปโลไม่ได้แยกเรื่องของประธานออกจากชีวิตเลยครับอาจารย์เปโลนั้นเขียนชัดเจนว่าคุณภาพของชีวิตมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของของประธานครับของประธานทําให้ชีวิตของเรานั้นมีจิตใจที่เต็มไปด้วยความเข้มแข็งฤทธิ์เดช ท, ที่มาจากพระเจ้าต่อสู้ไม่ย่อท้อกับอุปสรรคและความทุกข์ยากลําบากของประธานนั้นทําให้จิตใจของเรานั้น หรือชีวิตของเรานั้นต้องใช้ความรักมาเพื่อที่จะใช้ของประธานให้ถูกต้องและของประทานนั้นจะต้องให้เกิดการบังคับตัวเองหรือเซลฟ์คอนโทรลซึ่งเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์รู้จักกำหนดบทบาทของตัวเองอยู่ในความพอเหมาะพอสมพอสมควรประมาณตนตามควรนั่นครับคือการบังคับตนสิ่งต่างๆเหล่ า, านี้พี่น้องครับเราจะต้องทาให เกิดขึ้นในชีวิตของเราและพัฒนามันให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นเพื่อเราจะใช้ของประธานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นประเด็นต่อไปครับก็คือของประธานในเรื่องของเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ของประธานลักษณะนี้มีส่วนสัมพันธ์กับงานครับเช่นเขามีเครื่องมืออุปกรณ์ดีหรือเป็นเครื่องมือดีเทศนาดีบริหารงานดีนำร้องเพลงสรรเสริญดี ของประทานแบบนี้นะครับเป็นของประทานที่มีคุณค่าแต่ของประทานที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของชีวิตเป็นของประทานฐานรากครับและของประทานที่เป็นเครื่องมือเครื่องไม้เป็นอุปกรณ์นั้นเป็นของประทานที่ต้องสร้างจากฐานรากที่ดีอาจารย์เปาโลนั้นจึงหนุนใจเตือนสอนทีโมทีมีผู้รับใช้พระเจ้าหลายคนแสวงหาของประทานแบบข้างบนนี้นะครับแต่ละเลยของประทานทางด้านฐานรากในที่สุดแล้วตัวเองก็ล้มเหลว และกลายเป็นอุปสรรคทําให้คนอื่นสะดุดเยอะแยะมากมายเพราะชีวิตนั้นไม่ได้วางอยู่บนรากฐานที่ดีไม่ได้วางอยู่บนฤทธเดชความเข้มแข็งไม่ได้วางอยู่บนการบังคับตนไม่ได้วางอยู่บนความรักซึ่งเป็นของประธานด้วยเหมือนกันพี่น้องครับในเช้าวันนี้จึงเป็นเวลาที่เราเองนั้นจะต้องค่อยควรพิจารณาครับว่าชีวิตของเรานั้นของประธานเรื่องเกี่ยวกับลักษณะชีวิตคุณภาพชีวิต ดีจริงหรือเปล่าฐานรากของเราดีจริงหรือเปล่าถ้าฐานรากของเราดีจริงการรับใช้ต่อๆไปไม่ว่าจะเป็นการทํางานในด้านต่างๆการรับใช้พระเจ้าในด้านต่างๆมันก็จะต้องดีและถาวรครับงานของเราจะคงอยู่ยั่งยืนตลอดไปขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะพิจารณาและให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นได้หล่อล้อมชีวิตของเราให้สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้า อาเมน